แล้วแล้วสิงกะโปเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะเขาใส่บาทแล้เข้าไปเหร อ, อกินข้าวก่อนแล้วเจ๊ยังไม่กินแล้วเป็ดเขาไม่ออกมาใส่บาทเขากินข้าวไหม กินเด้ออกมากินข้าวเด้ปฏิโอเด้อือื ม, อ ม, อมนี่อยู่ไหนอยู่ใ น, นนะอุดรนะฮะ ฮะไข่ฮะไข่นมเหรอไข่นมเหรอโอ้โหเราทำไมเราเกือบจำไม่ได้ไวะเดี๋ยวไปรับทานในครัวนะ ทาสเราก็ยังไม่ได้ไปทำสายทำสายปู่แบนยังไม่ได้ไปนี่ยังไม่ได้หาวันไปจะออกพรรษาแล้วเนี่ยวันนี้คุณทาเขาไปสองสัมคนเราไม่ได้ไปแต่เราไปทุกปีบ้านโพนเขานัดไป ปีนี้ยังไม่เห็นถามมาเลยมืนพลทุปีถามมาแล้วไปวันไหนวันไหนทํตสหายวัดดอยธรรมเจดีวัดน้องไัย ดอยธรรมเจ ด, ดีวัดห น, อ, น, นองไผ่าจนอุ่นเด้จนอุ่นอยู่ใกล้ๆป่าแก้วน่มาก็แวะจจนอุ่นหนองไผ่แจนจุดธรรมถ้าเราไปสายสควอนก็ได้แวะได้แวะสามข้างสามเทือกวัดดอยหนองไผ่ ปลาแก้วยังยังไม่ได้นัดกันอนุทนแล้วคุณใหญ่ทานไหนทานกระเทียนเหรอคุณใหญ่ก็ทานข้างนอกนะวันนี้นะ อนี่คนี่ทานกับข้าวเกีย๊ยเนี่ยและอ้อยกินกับใครอ่ะอ้อยกินคนเดียวเหรอฮะ เลยางเศษเลยางโอ้เอ็กทะเลอะไรถีป้านานเว้ยฮะม่หลอดมาห ล, ลอดมือบ้างแล้อแล้ว ไ, ไปนุ่นสีสามสีองค์เหรอฮะไปศารคามสีองค์เหรอ <c oughs> ไปตอนไหนไปน ใครกับใครกับใครข้าฉามาเทาแล้วก็ระกอไปแค่สามบอกแคนึงสามตอนไหนว่าไปสีที่บ้านก็สื่อฮะที่บ้านกส่ออยู่ครับเพื่อนของวะบ้านเพื่นถือมนกันเหรอครับอ่าแล้วก็เราก็เล่าให้ฟังปรมาณนั้นแหละทีแรกทีแรกเพื่นเพื่นไปจะไปสามไปสามเนี่เพื่อนนับเพืนอื่นเลยเพื่อนเปนเ่นเป็นนับเพื่อนเด้อ เาขาหนะักเพิ่นเลยก็เป็นสีะเป็นสี่เลไปได้เลยไม่ถือเลยเขาไม่ถือก็ไปได้ถือแบบไม่มีเหตุผลพระไปสามสี่องไปคือ ไ, ไปขึ้นบ้านเนี่ยเขาถือบ้าบอถือภาษาบ้าบอพระไปสามสี่องแบ วาล้างไม่ดีพระจะมาชักมบบาบังสกุลมันก็นดีนตัวท่านบังสกุลเป็นก็ได้ท่านบังสกุลตายก็ได้เอาที่ตายอาจารย์ชักดูองค์หนึ่งทาง่านกชักได้2องค์3องค์งท่านก็นชักได้4ี่องค์5อง์ท่านก็นชักได้ทําไมจะต้องเป็นสี่องขึ้นบ้านไม่ได้แปลกนะคนไทยเรานี่ยพูดภาษาบ้าบออะไรก็ไม่รู้ สี่องค์่องนั้นนะ่ะมีความหมายทางทางพระวินัยไม่ใช่มีความหมายทางไปชักบางสกุลที่ไหนสี่องค์นแนะสองค์ทางวินัยท่านเรียกว่าสงสังฆะสังฆะมูแปลว่ามูสังฆะแปลว่าสงแปลว่ามูคําว่ามูเนี่ยตั้งแต่สี่องเป็นต้นไปเขาเรียกว่ามูสามองค์ลงมาท่านเรียกคณะ หนงค์สององเนี่ยท่านเรียกคณะสองค์ท่านเรียกคณะสี่องท่านเรียกสงฆ์ท่านเรียกทั้งนี้เป็นประโยชน์ในทางพระวินัยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการไปชักไปบางสกุลไปอะไรในบ้านเนี่ยบางคนถือนะพระไปสี่องเนี่ยไม่ให้ขึ้นบ้านแหละให้ขึ้นว่าโอ้ยสวยแล้ววันนี้สวยแล้วพระมาสองค์้า <laughs> <laughs> มันไม่ใช่เรื่องของโยมมันเรื่องของพระ สี่องนะท่านนับเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยเนี่ยไปดูในวินัยสิหนึ่งองท่านเรียกบุคคลสององสามองท่านเรียกคณะบุคคลสี่องท่านเรียกสงมันเป็นชื่อเรียกทางวินัยแต่ทําไมชาวบ้านเราพระไปสองค์ไปขึ้นบ้านไม่ได้ถือว่าเป็นเสนียหรือเป็นจันไหลหรือจะเป็นยังไงเมื่อวานเราก็เล่าไปฟังอยู่บอกว่าทางบ้านนิมนต์ไปฉัน เพื่นก็นกับหนึ่งองหนึ่งองนั้นสององนั้นสามองนั้นแต่เพื่นก็เลยเลยลืมนับเพื่อนเด้นับเพื่อนด้วยก็เป็นสีอ่องอ้าวเป็นสี่องล้วไปได้เลยเราก็ทักเออทำไมถือก็ไปได้ <c oughs> <c oughs> เราไปเยี่ยมเราไปเยี่ยมคนป่วยบางคนเนี่ยเราไปสามสี่องเลยเอยทันอยู่ข้างล่างนะ <c oughs> ยังไม่ต้องขึ้นไปขึ้นไปแค่สาม <c oughs> ถือมหาบอกอะไรก็ไม่รู้บางทีพระยิ่งพาถือครั้งเข้าไปซะอีกแทนที่จะเล่าอะไรเขาฟังให้รู้เรื่องก็ไม่เล่ายอมก็ยิ่งถือไปถือแบบไม่มีเหตุผลอะไรถือแบบนี้เขาเรียกถือไม่มีเหตุผลถือโชคถือลางถือสังหรณ์เนี่ยถือโชคถือลางถือสังหรณ์แบบนี้แบบแบบนี้ เขาเรียกเขาเรียกว่าถือมองคนตื่นข่าวบุติเจ้าท่านให้ถือกรรมคนจะได้ดีเพราะกรรมคนจะได้ชั่วเพราะกรรมถ้าคนมันกรรมมันถึงคราวกรรมไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะสังห ร, หรหรือไม่สังหรณมันก็ตายถ้าคนจะถึงคราวดีเพราะเขาสร้างเหตุมาดีแล้วสังหรณ์หรือไม่สังห ร, ห ร, หรมันก็ตายมันก็ดี มันถึงกรรมคราวกรรมให้ผลแล้สังหรหรือไม่สังหรณมันก็ตายก็เจ็บมันก็ไข้มันก็ป่วยเพราะมันกรรมเราจะไปเอาอะไรเป็นต้นต้นเหตุที่แน่นอนไอ้ถือมงคลตื่นข่าวเขาเรียกตื่นข่าวเนี่ยถือตามเชื่อถือกันถือถือกันมาฮะไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีอะไรถือแล้วถือสมมติเราเลี่ยงปั๊บนี่ยเราเลี่ยงปั๊บแล้วมันจะหายไหมในเมื่อกำมันเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานอยู่มันเป็นพลังหนุนหลังอยู่ อ ะ, อะไรคื อ, อะไรคือตัวพลังที่ห น, นุนให้เราได้รับผลอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ไม่ใช่พลังกรรมแล้วจะเรียกว่าพลังอะไร <och S 1> เราเรียกว่าพลังอะไร <och S 1> ใครลองตอบมาที่เรียกว่าพลังอะไรพ <och S 1> ล, ลังเสนียดหรือพลั ง, ลงจังจนไรหรืออะไรคือเสนียดตอบมาอะไรคือจันไรตอบมาฮะตอบมาที่อะไรคือเสนียดอะไรคือจันไรถือว่าอะไรคือเสนียดอะไรคือจันไร ก็กรรมทั้งนั้นแหละกรรมอยู่เฉยๆกรรมเกิดขึ้นได้ไหมถ้าไม่ไปทำมั น, น, นอะฮะอยู่เฉยๆกรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้กรรมที่มันจะตามสนองเรานั่นคือผลที่จะตามมาแล้วโดยเหตุที่เราไปลงทุนทาเหตุไว้แล้วการเชื่อแบบนี้เราเชื่อเชื่อตามพุทธเจา้าไม่ใช่เชื่ออย่างลมๆแรงๆเชื่ออย่างพิสูจน์ได้ลองเราเอาเข้าวปลาเนี่ยอิ่มทองไหม เอาข้าปากเขีคยวกลืนลงไปีกิบไหมท้องนี่คือนี่คือกรรมกรรมก็คือกิริยาต้องประกอบประกอบไปด้วยกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจถ้าไม่ประกอบไปด้วยกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจไม่มีกรรมไม่มีกิริยาตอบรับ พอเราเป็นปุถุชนนั้นกิริยาใดแสดงออกมาเป็นเหตุให้เกิดผลกิริยาใดกิริยาใดแสดงผลกิริยาใดแสดงออกมากิริยานั้นจะต้องมีผลตามมาแต่ถ้าเป็นพระอรหันแล้วเนี่ยท่านไม่มีผลคอยเก็บเป็นวิบากเพราะอะไรเพราะท่านทุกท่านทำลายภาชนะแล้วพระอรหันเนี่ยท่านทำลายพาชนะแล้ว ภาชนะของท่านคืออะไรคือตัณหาคือปาทานถ้าเป็นของสำหรับจะใส่นี่ยถ้าก็ต่อยทิ้งหมดแล้วไม่มีอะไรเก็บแล้วไม่มีอะไรที่จะคอยเก็บบาปเก็บกรรมคอยที่จะส่งผลให้ท่านไปได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วอืเพราะฉะนั้นผลในปัจจุบันเนี่ยผลที่เป็นฝ่ายกุศลที่เขาเรียกว่ามหากุศลให้ผลเต็มเปี่ยมเต็มที่ ได้พระโสดาได้พระสะกิทาคาะได้พระอน า, าคาได้พระอาหารก็ได้รับผลเต็มที่การที่ได้รับผลเช่นนั้นน่คือการที่ท่านทำลายภายชนะเก็บสลับเก็บบาปเก็บกรรมเนี่ยตัณหาอุปาทานเป็นสาเหตุเป็นต้นต่อดูไปสิอยู่ล ม, ลมลๆมแรงแงที่ไหนตัณหาปาทานดูมาที่ใจเห็นเดี๋ยวนี้ดูปาทานดูไปที่ไหนดูที่ใจเห็นเดี๋ยวนี้ อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้ที่นู่นที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้แดดร้อนฝนตกอย่าไปโทษโทษแบบนั้นโทษแบบนั้นท่านเรียกว่าท่านเรียกว่าถือมงคลตื่นข่าวถือแบบลมลมแรงแรงถือแบบคาดค า, าดเดาเดาแล้วก็ตัดสินใจเอาคาดคาดเดาเดาแล้วก็ตัดสินใจเอาร้อยทั้งร้อยมันผิดก็มีส่วนถูกอยู่บ้างก็มีส่วนถูกอยู่บ้าง ก็ไม่ต้องคาดต้องเดาแหละไอ้ความคาดความเดาเนี่ยมันมีตัวความจําไปประกอบด้วยเช่นอย่างเราเห็นตุอ่อนเงี้เออคาดคาดเดาเดาเอ๊นี่ตู้อ่อนคาดคาดเดาๆาเอ๊นี่คุณใหญ่นี่เพราะอะไรเพราะมันมีสัญญามันเป็นตัวไปจับไปประกอบเรื่องเหล่านี้เราไปศึกษาที่ไหนศึกษามาที่ใจเรานั่งภาวนาศึกษาดูอมีเวลาก็ไปคนดูตํำรับตำรานันคือหลักคือหลักคือเกณฑ์ แล้วก็พยายามพิจาราดูมาที่ใจของเราไม่งั้นเราจะไปถึงต้นตอถึงสาเหตุจะไปถึงสมุทัยถึงก้นบึง้งเหตุให้เกิดทุกอย่างแท้จริงเพื่อที่จะมาลบมาล้างม า, มาชะมาล้างมันเบาไปมันก็มันก็ไปมันก็ไปฉะไปล้างผิดที่ไปดับผิดที่ไปดับไม่ถูกที่คาดคาดดาวดาวแล้วก็พุ่งใส่คาดคาดดาวๆาวแล้วก็พุ่งใส่บางครั้งก็เป็นคุณบางครั้งก็เป็นโทษ บางครั้งเออมันสมหวังสมใจบ้างอะไรบ้างเออใช่ใช่ใ um ช่ช่แท้จริงก็คือค่าๆเดาๆบางทีสมหวังแล้วอะไรแล้วใช่ใช่ช่เอ๊ะเราก็ว่าใช่ทํำไมแมงยังไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ขอมันค่าๆเดาๆเอาอะเราหัดดูของจริงเราเถอะดูมาที่ใจของเราเนี่ยกิริยาทั้งหมดเน่ยเป็นกิริยาที่ชาวพุทธถือเพราะฉะนั้นท่านถึงถึงว่าโลกธรรมโลกธรรม คนที่ยังมีจิตใจวนเวียนอยู่แค่นี้คือยังมีจิตใจวนเวียนอยู่ในโลกกระทำคอยแต่จะบิดจะเบี้ยวคอยทีคอยแต่จะดัดจะแปลงหลักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของพระพุทธเจ้าให้ไปไปเป็นไปตามใจหวังของตัวเองคอยแต่จะดัดจะแปลงให้มันเป็นไปตามใจหวังหวังอะไรก็ทุกข์กับอันนั้นนะจะลืมว่าเราทุกข์เพราะเราผิดหวังนะ เอาไปจับเอาตัวอย่างมาคนละสองตัวอย่างสามตัวอย่างมาต่อให้ฟังวันวันวันข้างหน้าเราได้ความได้รับความทุกข์เพราะอะไรเอามาเล่าให้ฟังดูลองย้อนไปย้อนไปย้อนไปคุณผิดหวังผิดหวังทั้งนั่นแหละออพุทษาหให้ลูกเขาไปร่ำไปเรียนอย่างดีคิดว่าเขาจะไปดีไปดีไงสักหน่อยหนึ่งเอาติดยาไหมตายแล้วนั่นหวังว่าเขาดีแต่เขาเป็นไปตามใจหวังเราไหมอ่า เออเราหวังว่าเราทํานี่เราจะได้ผลเนาะพลาดอีกแล้วทุก อ, อีกแล้วอะไรอีกแล้วผิดหวังไหมเราไปไล่ดูวันทั้งวันเรานั่งรับกองทุกขจากการที่เราหวังหวังกับสิ่งนั้นหวังกับสิ่งนี้ด้วยเหตุที่หวังนี่เองคัดคาดเดาๆแล้วก็ยึดเอาคาดคาดเดาๆแล้วก็ยึดเอาร้อยตั้งร้อยก็ผิดโทรบ้าง ถูกบ้างมันหากมันหากมีโอกาสถูกบ้างเพราะมันคาดคา ด, ดเดาเดาแต่ไอเรื่องคาดคาดเดาๆานี่แหละมันก็เป็นต้นเหตุเป็นต้นต่อเพื่อเข้าไปสู่หลักของสัจธรรมได้เหมือนอย่างวิชาตรั ก, กะวิชาตรั ก, กะวิชาวิชาตรึกวิชานึกวิชาคิดวิชาคํานวณวิชาคาดวิชาเดาเนี่ยคาดคาดเดาเดาไปเพื่อจะเข้าไปสู่หลักสัจจะ เช่นอย่างเราได้ยินว่าพุทิเจ้าท่านสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันเป็นกิริยาที่มาประกอบในสังขารของเรานี่กิริยาอนิจจังกิริยาทุกขังกิริยาอนัตตาคําว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอ่าไม่เที่ยงไม่คงที่คําว่าไม่คงที่ก็คือทุกขังคําว่าไม่เที่ยงก็คือต้องเปลี่ยนไปนี่ร่างกายของเราไม่คงที่ร่างกายของเราต้องเปลี่ยนไปดูดูมาที่อย่างนี้เราถึงจะเห็น พอเราเห็นแล้วพอเราเห็นแล้วเราชินชากับมันไหมเราแน่นอนกับมันไหมเราตายใจกับมันไหมท่านดูให้เราเห็นเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทจะได้มันไหมนิ่งนอนใจพอถึงคราวมันเจ็บเออมันจะต้องเจ็บถึงคราวมันแก่เออมันจะต้องแก่ถึงคราวมันตายเออมันจะต้องตายเราช่วยแก้ไขมันบ้างได้นิดหน่อยเท่านั้นเองกินแก้ปวดหายกินแก้อะไร แกปวดเสียนเปลี่ยนกล้าวอะไรกินยาอะไร <Yeah. S 1> เข้าไปก็หายได้เป็นการเป็นคราวไปกรรมบางอย่างมันรุนแรงบางทีก็รักษาไม่อยู่รักษาไม่หายเหมือน อ, อย่างที่ท่านว่านเนี่ยโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างอา่ต้องรักษาถึงหายโรคบางอย่างถึงรักษาก็ไม่หายไม่รักษาเนี่ยมันไม่หายอยู่แล้วไม่รักษาก็ไม่หายถึงรักษาก็ไม่หาย ท่นก็บอกอยู่แล้วเพราะมันหนักมันหนักไปตามเหตุตามปัจจัยของมันการที่เราพิจารณาคิดให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจตามหลักความเป็นจริงอย่างนี้ทําให้เราไม่ประมาททาให้เราไม่นิ่งนอนใจทําให้เราสามารถคาดคาดเ ด, ดาเดาเออโอ้ยางนี้คือความไม่เที่ยงโอ้ยางนี้คือความเป็นทุกข์เราก็ใช้ความตักกะความตรึกความนึกค่อยๆจับค่อยๆสังเกตกิริยาอาการอะไรของมันนี่แหลอะอ่แล้วก็ไม่มีใครสามารถจะมาดัดแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ ความไม่เที่ยงเราก็ดัดแปลงไม่ได้ความไม่คงที่เราก็ดัดแปลงไม่ได้การที่เราจะดัดแปลงไหมความว่าจะดัดแปลงไปเพื่ออะไรดัดแปลงให้เป็นไปตามใจหวังโออย่าแก่นะเอออย่าเจ็บนะหวังว่าไม่ให้มันจะแก่หวังว่าไม่ให้มันเจ็บมันเป็นไปตามใจหวังไหมด้วยที่เราดัดแปลงไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าอนัตตามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตน ถ้าเป็นตัวเป็นตัวแล้วต้องบังคับได้ต้องบอกได้อก็เหมือนอย่างเรียกคนเป็นคนคนเป็นตัวตเป็นตนตอ้าวคุณไปเอานั้นมาไปเอานี้มาไปเอานี้มาอันนี้เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนโดยสมมุติโดยสมมุติแต่ในอัตภาพร่างกายถึงการปฏิบัติเพื่อปลดปล่อยความทุกข์แท้แท้นี่อ่าท่านจึงให้แยกกระจายไปไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ยอมรับสภาวะอันนี้แล้วคืนให้กับธรรมชาติ พิจารณาเห็นมันรักแล้วก็มาให้มันยอมรับพอมันยอมรับมันก็คืนให้กับธรรมชาติไปพอกคืนให้กับธรรมชาติไปใจมันก็ถอนมาถอยมาถอยมาถอยมาถอยมาเวลาใจมันจะไปมันก็ไปเฉพาะใจจิตมันก็ร่างกายมันก็ทิ้งไว้คันทั้งห้ามก็ทิ้งไว้ปฏิบัติทำเพื่อละสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยทั้งสุตตามยะปัญญากินตามมยะปัญญาภาวนามยปัญญา กินตามะยะปัญญานี่แหละคือตักกะคำว่าตักกะแปล ว, ว่าความตรึกความนึกความคิดคัดคา ด, ดเดาๆแล้วก็ทายเอาเออเห็นอะไรหนะุ่พุ่งพุ่งฟุ้งฟุ้งนะ่อโอ้แสดงว่าเป็นควันเป็นควันโอ้แสดงว่าตรงนั้นแสดงว่าเขาต้องจุดไฟถึงจะมีควันแต่บางทีไม่ใช่ลองไปทายดูตามยอดภูเขาดูหน้านี้เนี่ยตรงไหนมันควันเต็ไมไปหมด ควันไฟหรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตั ก, กะผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าอาศัยตะ ก, กะเป็นกรุยหมายป้ายทางขบเจาะไป <c oughs> เพื่อไปสู่สัจจ ะ, ะคือทุกอย่างทุกอย่างมันไม่ใช่ดีเป็นเอกเทศโดยตัวของมันเองมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยแก่กันและกันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอโลกนี้เป็นโลกที่มีอยู่ได้เป็นอยู่ได้ตั้งอยู่ได้เพราะ มีสังขารทั้งหลายมากรอบกุ่มกันมาเกาะกลุ่มกันอยู่ดํารงโดยอยู่โดยเอกเทศไม่มีไม่มีสิ่งใดแม้สิ่งเดียวที่จะดํารงตนอยู่โดยเอกเทศของมันเราเราดูแต่เปลวเทียนเอกเทศไหมไม่เอกเทศประกอบด้วยอะไรบ้างเราดูไปที่มีไส้มีน้ํามันมีไขมันแล้วก็มีธาตุไฟไปกินพอกินไปแล้วมันเกิดอะไรบ้างเกิดความร้อนเกิดแสงสว่างเกิดควัน และในขณะเดียวกันมันคงที่ไหมมันไม่คงที่กินไส้เข้าไปเรื่อยๆกินน้ํามันเข้าไปเรื่อยๆกินไส้เข้าไปเรื่อยๆกินอากาศเข้าไปเรื่อยๆติดเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็หมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยมันเป็นภาวะที่เราดูเปรียบเทียบมาที่ร่างกายของเรานี้อันนี้คือความจรงิงเราศึกษาธรรมะเราต้องศึกษามาถึงอย่างนี้ไป ผ, h, h, ผ h, ิวๆเผลอๆแล้วก็ว่าเอาแล้วคาดเอา lại, แล้วโอ Й ้ทุกวันๆนั่งคอยก่อป่วยเอาแต่ความทุกข์เข้ามาทับถมหัวใจอะ แม้แต่ชื่อถื อ, อถือโลกโชคถือโชคถือลางถือขลังถืออะไรต่วอะไรนี่ก็เหมือนกันแหละไอ้การถือก็คือการหวังอะแหละถืออะไรก็หวังอันนั้นถืออะไรก็หวังอันนั้นพอผิดหวังก็ทุกข์ถืออะไรก็ผิดหวังกันนั้นก็ทุกข์เราสมหวังกับอะไรบ้างเดีย๋ยวนี้เราสมหวังกับอะไรบ้างมันมันไม่เป็นเอกเทศในตัวของมันมันไม่มีสิ่งใดที่จะดํารงตนอยู่โดยเอกเทศ มีสิ่งหนึ่งเดียวที่ดำรงตนโดยเอกเทศคือธาตุรู้ที่ชำระให้บริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงคือจิตทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไม่เป็นเอกเทศยังมีสิ่งปนเปื้อนอยู่กิเลสปนเปื้อนอยู่ท่านจึงให้ชำระออกพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกพระพุทธเจ้าท่านชำระออกหมดแล้วเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกว่าสังขาร ไม่มีเวลาเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีเวลาเข้าไปจํากัดไม่มีสถานที่เข้าไปจํากัดพวกเรานี่มีสถานที่เข้าไปจํากัดเช่นอย่างเรามาเกิดในโลกมนุษย์นี่ยโลกมนุษย์นี่แหละมันจํากัดเราไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นก็คือชั้นนั้นแหละมันจํากัดชั้นนั้นแหละมันจํากัดแล้วก็พอมันจํากัดปั๊บมันก็มีอายุตามตามชั้นนั้นๆัโลกมนุษย์อายุเท่าไหร่เทวดาชั้นนั้นอายุเท่าไหร่ออายุเท่าไหร่ ที่มันจํากัดาอายุมันจํากัดสิ่งที่มีที่จํากัดสิ่งที่มีอายุจํากัดสิ่งนั้นคือกองสังขารกองสังขารคือคือกองทุกกองทุกก็คือกองสังขารเราจะไปอบัติในภพไหนภูมิไหนไปอบัตภพนี้ภูมินี้ก็คือกองทุกไปอบัติไปโผล่ที่ไหนก็คือกองทุกไปโผล่ไปเกิดที่ไหนก็คือกองทุกไปเกิดเพราะมันมีสิ่งปรุงแต่งประกอบอยู่ในนั้นหมดมันไม่เหมือนสิ่งที่ชำระหมดจดบริสุทธิ์ เหมือนพระจิตของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวดํำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอ น, นันตการเราฟังแต่ลุงตาท่านเทศเนี่ยเวลา ท, ท, ท่านตั้งแต่วินาทีนะั้นเป็นต้นไปเนี่ยไม่เคยไม่เกี่ยวข้องกับความทุกข์กับอะไรต่ออะไรแล้วแหละแล้วก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะอะไรเพราะภายชนะที่มันคอยเก็บวิบากกรรมนี่ท่านทุกทิ้งหมดแล้วคืออะไร คือตัณหาคือปาทานดูไปดูที่ไหนไม่เห็นดูมาที่ใจของเจ้าของเห็นคาดเดาจิตของเาขาก็คาดเดาเฉยๆดูมาที่จิตของเราเห็นนั่งดูนี่จะเห็นนี่เราศึกษามาที่นี่เราเห็นเข้าถึงต้นต่อได้เราไปศึกษาที่อื่นเราหลอกลวงกันต้มกันตุนกันไปสารพัดเราก็พลอยหลงไปเรื่อยๆไอ้ตัณหาไอ้ความหลงโมหันมันมีอยู่ในหัวใจครอบอยู่แล้วเนี่ย ก็ลอยหลงไปเรื่อยลุ่มหลงเข้าไปเรื่อยลุ่มหลงเข้าไปเรื่อยลุ่มหลงไปจนขนาดถึงว่ามิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงจิตดวงนี้เพราะมันไม่เคยย้อนมาดูสัจจะเรื่องความจริงนี้เองนี่เราฟัง <laughs> มามา่างไหนนมาจากพระหนึ่งองค์สององค์สามองค์งสี่องค์นะ <laughs> าตายเหมือนกัน เฮ้ยวันนี้เผาไม่ได้เผาแล้วผีกินคนหุนเด้อพรุ่งนี้โอ้ยพรุ่งนี้ก็เผาไม่ได้เาผาผีนูน่นอีกห้าวันอ่ะถึงจะเผาได้วันนี้วันนี้วันนี้ไม่ดีดเผาไม่ได้วันนี้ไม่ดีไม่ดีเผาไม่ได้ต้องเผาวันนั้นแต่ตายทําไมมันตายได้ตายนะ่ะทําไมมันตายได้ เราพยายามคิดหาเหตุหาผลให้กับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราจะทาให้เราตื่นในโลกไม่งั้นก็มันก็ถูกโลกคล่องําจมเข้าไปเรื่อยๆอห้พรยะทาวาริวะหาปูราปาริปูเรนติจารังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก ป, ปติอิธิตังปฏิตังตุมหัง อิปเมวัสมิชชฉะตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลทธิชนิตยังุทธาปิจายโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขังภะลังภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสท่าโสธีพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะ สท่าโสตถีพวันตุเตผะวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสพเทวตาสัปสังฆาหนุภาเวนะสท่าโสตถีพวันตุเตอ่ะตัวองยังไปยังทุ่ง น, น้าก็ ปยานข้าวสาดปยันข้าวสาดนันนีปยันคือเอาเปรียบตัวอูตัวสู้แทะฮะอูตัสู้คือเห็นไปยานใหญ่ี่นาครับยันคุณยนนี่ได้แล้วเหรอได้มามามานี่มาเลือกเอา กาแฟมไหมกาแฟกาแฟชอบไหมอบนี่นี่นี่เดี ตอยกินข้าวไหนตอยกินข้าวสายนี่อไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว